การจะทำจิตใจให้สงบได้ผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องคอยกำจัดอุปสรรคเครื่องกีดขวางต่างๆที่ทำให้ใจไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้อุปสรรคเครื่องกีดขวางความสงบี้เราเรียกว่านิวรณ์มีอยู่ห้า ชนิดด้วยกันเรียกว่านิวรณห้าคือหนึ่งความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สองความยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสผดถภะเรียกว่ากามฉันทะข้อแรกเรียกว่าวิจิตกิจชาความลังเลสงสัย ข้อที่สามความโกรธพยาบาทข้อที่สี่ความง่วงเหงาหานอนและข้อที่ห้าคือความฟุ้งซ่านการจะกกำจัดนิวรณเหล่านี้ได้ก็มีวิธีมีเครื่องมือต้องหาเครื่องมือ หาวิธีมากำจัดสำหรับความลังเลสงสัยความไม่มั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ <c oughs> ก็เพราะว่าเราขาดข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองเราก็ต้องค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการ อ่านหนังสือธรรมะหรือด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระสุปฏิปันโนหรืออ่านหนังสือธรรมะจากพระไตรปิฎกเป็นคำสั่งคำสอนของพระบรมศาสดาของพระพุทธเจ้า ถ้าเราได้ศึกษาอย่างกว้างขวางความลังเลสงสัยต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธพธรรมพระสงฆ์ก็จะหายไปหมดถ้าเราได้ศึกษาภรพประปวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาภรพประปวัติของพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้า เราก็จะรู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นของจริงเป็นของที่ไม่ได้เป็นการสร้างขึ้นมาคำสั่งคำสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้นำไปปฏิบัติก็เป็นคำสั่งคำสอนที่เป็นเหตุเป็นผลคือถ้าปฏิบัติตามได้ ก็จะได้รับผลจากการปฏิบัติอย่างแน่นอนเพราะถ้าได้ศึกษาประวัติของพระอริยสงสาสาวกแต่พระแต่ละพระองค์ท่านก็ได้บรรลุผลจากการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแต่แล้วองค์ท่านก็เป็นเหมือนเราเมื่อก่อน ท่านก็เป็นปุถุชนธรรมดาสามัญที่มีความโง่เขลาเบาปัญญาขาดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการควบคุมจิตใจทำใจให้สงบแต่พอท่านได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือจากว่าธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยผ่านพระอริยสงสาก พอท่านได้ศึกษาท่านก็มีความมั่นใจมั่นใจในเหตุคือการปฏิบัติโดยวิธีการต่างๆแล้วพอได้ปฏิบัติตามก็สามารถบรรลุ ถ, ถึงผลในระดับต่างๆได้นี่คือ การที่เราจะไม่มีความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อเราจะได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจกำลังวางชาทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่การปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเราได้ทุ่มเทกันอย่างเต็มที่แล้ว ผลก็จะปรากฏขึ้นมาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วแต่ถ้าเราทำด้วยความไม่มั่นใจทำด้วยความลังเลสงสัยจะถูกหรือไม่ถูกจะได้ผลหรือไม่ได้ผลไม่มั่นใจก็จะไม่มีความทุ่มเทในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลขึ้นมา เป็นการฟังเทศฟังธรรมอยู่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงแรกๆช่วงที่ยังไม่ได้ปฏิบัตินี้จำเป็นจะต้องศึกษาให้เข้าใจให้มีความมั่นใจให้มีความเข้าใจวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าปฏิบัติอย่างไร ก็ถ้าไม่สามารถหาคำตอบจากหนังสือที่อ่านได้หรือจากเทศนาที่ฟังได้ก็ต้องเข้าหาพระที่ท่านได้บรรลุผลแล้วพระที่ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนสามารถเข้าไปกราบเรียนกราบถามท่านได้ว่าไม่เข้าใจ หรือสงสัยในเรื่องใดก็ตามถ้าได้มีโอกาสได้สนทนาธรรมกับท่านก็จะสามารถที่จะกำจัดความลังเลยสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้เพราะท่านจะพูดจากผลที่ท่านได้จากการปฏิบัติของท่านว่าท่านปฏิบัติอย่างนี้ ท่านได้ผลอย่างนี้อถ้าเราเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้ผลแบบที่ท่านได้อย่างแน่นอนเพราะหลักของเหตุผลนี้เป็นหลักตายตัวไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาปฏิบัติแบบนี้ไม่ว่าจะนุกยุคไหนสมัยไหนผลที่ได้รับก็จะเป็นเหมือนกันทุกยุคทุกสมัย สมัยพระพุทธเจ้าปฏิบัติอย่างไรสอนอย่างไรสมัยนี้ถ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติได้ทรงสั่งสอนผลก็จะปรากฏขึ้นมาเช่นเดียวกันอันนี้จะทําลายความไม่มั่นใจได้เพราะจะมี ข่าวลือหรือข้อมูลที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงออกจากปากผู้ไม่รู้ทั้งหลายที่อวดรู้อวดเก่งว่าเจ่นนิพพานการปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานในปัจจุบันนี้ทำไม่ได้แล้วเพราะไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนต้องมี พระพุทธเจ้าเท่านั้นต้องฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้แล้วหรือบางท่านก็บอกว่าปฏิบัติไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่มีบุญบา ร, รมีไม่เหมือนกับพระในสมัยพุทธกาลมีบุญมีบา ร, รมีมากฟังเทศฟังธรรมเพียงครั้งเดียวก็บรรลุได้เลย อันนี้เป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนจากหลักความเป็นจริงหลักความเป็นจริงนี้จะมีบาามีหรือไม่มีบาลมีนี้สามารถที่ปฏิบัติได้เพราะถ้าไม่มีบาลมียุคนี้เราสามารถแต่มบาลมีได้อย่างง่ายดายแล้วรวดเร็ว เพราเรามีพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เองถ้าไปเกิดในยุคที่ไม่มีพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้นะถึงจะเป็นไปได้ว่าจะปฏิบัติบรรลุมากผล น, นิ่ผ่านไม่ได้ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงค์ห ล, ลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้ว เพื่ที่จะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงมรรผลที่ผ่านได้นี้เป็นสิ่งที่ยากมากจะได้เพียงคนเดียวเท่านั้นคือพระโพธิสัตว์เนี่ยเช่นพระพุทธเจ้าของเราในสมัยที่พระองค์ทรงบำเพ็ญ น, นี้ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสอนท่านท่านก็เลยต้องศึกษาค้นคว้าหาความจริงด้วยพระองค์เอง ด้วยความสามารถที่มีทิมเต็มเปี่ยมด้วยบารมีชนิดต่างๆนี่เองที่สามารถทำให้พระพุทธเจ้าใจสิท ธ, ธะหรือสามาณะโคดมนี้บรรลุ ถ, ถึงมรรคผลนิพพานได้ด้วยพระ อ, องค์เองเพียงพระ อ, องค์เดียวเท่านั้นผู้บำเพ็ญผู้อื่นๆนี้ไม่มีใครสามารถบำเพ็ญ ให้ได้มรรคผลนิพพานได้เพราะในสมัยที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระองค์ก็ทรงค้นหาครูบาอาจารย์ต่างๆที่จะสอนให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานแต่ก็ไม่มีพระอาจารย์รูปใดที่จะสามารถสอนให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้แม้แต่องค์เดียวพระองค์ก็เลยต้องทรงค้นคว้าด้วยพระองค์เอง แต่หลังจากที่พระองค์ได้สรงบรัรูม้มรรคผลนิพพานแล้วพระองค์เอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนผู้ที่ไม่มีโอกาสผู้ที่ไม่สามารถค้นหามรรคผลนิพพานได้ด้วยตนเอง <c oughs> ก็สามารถค้นหาพระนิพพานได้กันอย่างง่ายได้เพราะมีผู้บอกทางผู้รู้ทางผู้รู้วิธีที่จะทํา ให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานเนไม่ว่าจะมีบา ร, รมีมากมีบา ร, รมีน้อยหรือไม่มีเลยก็ตามสามารถที่จะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้ถ้ามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะต่างกันก็ตรงที่ผู้มีบา ร, รมีมากก็จะสามารถบรรลุได้เร็วกว่าผู้ที่มีบา ร, ร, รมีน้อย แต่ทุกคนนี้ตั้งแต่บารมีน้อยไปจนถึงบารมีมากนี้สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ด้วยทุกๆคนถ้ามีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและน้อมนำเอาคำสั่งคำสอนนั้นไปปฏิบัติแบบสุปฏิปันโน คือปฏิบัติอย่างเต็มที่นั่นเองเต็มร้อยเรียกว่าเต็มร้อยทำอะไรต้องให้เต็มร้อยสงสอนให้รักษาศีลก็รักษาศีลให้เต็มร้อยสงสอนให้นั่งสมาธิก็ต้องนั่งสมาธิให้ได้ผลเต็มร้อยสงสอนให้พิจารณาปัญญาก็ต้องมีปัญญาเต็มร้อยเนี่ถ้าลองมีศีลสมาธิปัญญาเต็มร้อยแล้ว ก็จะสามารถที่จะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้ น, นี่คือศรัทธาความเชื่อที่จะเกิดขึ้นถ้าเราได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งท่านเหล่านี้เหมือนกันในด้านของการให้ความรู้ให้ความมั่นใจ ให้ให้ศรัทธาเกิดขึ้นกก่จิตใจของผู้ที่ศึกษาค้นหาความจริงพอได้เข้าถึงพระพุทธหรือพระธรรมหรือพระสงฆ์แล้วหูตาจะสว่างขึ้นมาทุกคนดังในที่ในพระไตรปิฎกมักจะแสงแดงไว้ว่าหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมเสร็จลงไปผู้ฝังนี้ก็ าสารเสริญพระองค์ว่าพระธรรมของพระองค์นี้เหมือนกับการพลิกสิ่งที่ถูกปกปิดอยู่ให้หงายขึ้นมาให้เห็นสิ่งที่ถูกปกปิดอยู่มันสิ่งต่างๆมีอยู่แต่เรามองไม่เห็นกันเพราะมันถูกอวิชชาโมหะของเราความโง่เขลาเบาปัญญาของเหล่านี้ปกปิดไว้ทําให้เรามองไม่เห็นทำมันประเสริฐ พอพระพุทธเจ้าทรงตัดสอนเท่านั้นเองพอได้ฟังได้นึกภาพถึงธรรมที่ทรงสอนทรงแสดงก็เกิดมีดวงตาเห็นธรรมกันขึ้นมาทันทีเห็นความจริงที่มองไม่เห็นถ้าไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือ ถ้าลองมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วใครจะมีบา ร, รมีเน้อมากมีบา ร, ร, รมีน้อยนี้ไม่สําคัญละมีโอกาสที่จะบรรลุได้ด้วยกันทุกคนถ้ามีศรัทธามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่อย่างเต็มร้อยจะต่างกันก็คือใครจะบรรลุ ก่อนบรรลุหลังเท่านั้นเองดังในพระสูตรสติปัฏฐานสูตรก็ทรงแสดงไว้ว่าผู้ใดปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนในพระสูตรนี้ได้จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีนี่เป็นการแสดงการยอมรับว่า บุคคลที่มาศึกษามาปฏิบัติแต่ละคนนี้มีบารมีเก่ามาไม่เท่ากันนั่นเองจึงมีการสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ช้าเร็วต่างกันเหมือนกับตอนที่ทรงสแสดงพระธรรมครั้งแรกที่มีชื่อว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรให้แก่พระปัญจวคีห้ารูปด้วยกัน พระปัญจวัคคีย์ห้าลูกกเป็นเป็นนักบวชนักปฏิบัติที่มีศีลมีสมาธิเหมือนกันได้ฌานเหมือนกันเพราะศึกษาร่วมกันพร้อมกันตาต่างกันที่ระดับปัญญาบารมีนี้ความสามารถที่จะนึกภาพของธรรมที่ได้ยินได้ฟังนี้ไม่เท่ากัน พอเวลาฟังทมเสร็จมีเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาก่อนคือพระอ ญ, ญายโกณทัญญาส่วนเอกสี่รูปนี้ท่านต้องใช้เวลาไปไข้ขวนไปพิจารณาอีกครั้งก่อนถึงจะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาตามลำดับแต่ในที่สุดพอพระพุทธองค์ได้ทรงสแสดง พระอนัตตลักษณะสตรทำขั้นสูงสุดคือสรงสอนว่าสัพเพธรมาอนัตตาทำทั้งปวงไม่มีอัตตาตัวตนเป็นธรรมชาติล้วนๆอพอท่านทั้งห้าได้ฟังท่านก็สามารถนึกภาพเห็นและสามารถบรรลุ ถ, ถึงธรรมันสูงสุดได้เลย นี่คือถึงแม้ว่าจะมีบารมีแตงกันในอดีตแต่ปัจจุบันนี้ทุกคนสามารถที่จะติมบารมีได้อย่างเต็มที่ด้วยกันทุกคนขอให้มีศรัทธากับมีความเพียรพยายามเท่านั้นเองเหมือนกับคนที่เดินทางในทะเลทราย แต่ละคนอาจจะมีน้ำติดตัวมามากน้อยไม่เท่ากันคนที่มีน้ำมากหน่อยก็จะมีกําลังเดินทางได้ไกลหน่อยแต่พอไปถึงถึงแหล่งน้ำในกลางทะเลทรายทุกคนสามารถที่จะตักน้ำาดืม่มตักใส่ภาชนะให้เต็มได้อย่างสามารถเดินทางข้ามทะเลทรายได้อย่างปลอดภัยกันทุกคน ถ้าไปเจอแหล่งน้ำถ้าไม่เจอแหล่งน้ำก็อาจจะไปไกลและใกล้ต่างกันตามกำลังของน้าที่ตนเองมีอยู่คนที่มีน้ำมากก็อาจจะเดินทางได้ไกลหน่อยคนที่มีน้ำน้อยก็เดินทางไม่ได้ไกลเพราะหมดแรงพอไม่มีน้ำดื่มก็มันก็หมดแรงเดินในทะเลทรายมีแต่อากาศร้อน ก็อาจจะไปได้เพียงครึ่งทางแต่ จ, จะไม่มีใครสามารถไปถึงฝั่งได้ถึงที่ปลอดภัยได้ถ้าไม่ได้ไปเจอแหล่งน้ำกลางทะเลทรายพระพุทธศาสนาของพวกเรานี้เป็นเหมือนแหล่งน้ำกลางทะเลทรายที่พวกเรากำลังหลงอยู่ในทะเลทรายกำลังจะหา หาทางออกจากทะเลทรายไปแต่ไม่มีใครจะสามารถไปได้นอกจากคนที่ฉลาดจริงๆนะพี่สามารถที่จะไปหาแหล่งน้ำกลางทะเลทรายได้ก่อนพอได้แหล่งน้ำแล้วก็สามารถตามน้ำให้อย่างเต็มที่สามารถพาให้เดินออกจากทะเลทรายไปได้นี่คือ บาลเมหรือพระคุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้บรรลุถึงมรรคผลที่ผ่านได้นี่สามารถไปได้ด้วยกันทุกคนขอให้มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าขอให้มีศรัทธาอย่าง มั่นมั่นคงขอให้มีความรู้ที่ได้จากการศึกษาเท่านั้นบารมีต่างๆนี้เราสามารถเติมจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้แล้วเราก็จะสามารถบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้ด้วยกันทุกคนอย่างพระ อ, อริยสงสาวกในอดีตแต่และพระ อ, องค์เป็น สักขีพยานว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นของจริงพระทรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่จะพาให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้สามารถบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้สามารถเข้าสู่ความสงบของจิตใจได้อย่างแน่นอน พระมีพระอริยสงสารวกที่มีบา ร, รมีต่างกันนี้สามารถบรรลุเป็นพระสงสารวกได้ด้วยกันทุกทุกองบรรดาพระสงสารวกทั้งหลายที่ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลนั้นก็มีบา ร, รมีไม่เท่ากันบางองค์ก็มีบา ร, รมีมากบางองค์ก็มีบา ร, รมีน้อยแต่ทุกองค์นี้ก็สามารถบรรลุได้ ต่างกันตรงที่เวลาท่านเองบางองค์ก็ใช้เวลาไม่กี่วันบางองค์ฟังเพียงครั้งเดียวครั้งแรกก็บรรลุได้เลยนี่แสดงว่ามีบารมีมากพอฟังธรรมหนเดียวนี่บรรลุมรลนี่ผ่านได้บางองค์นี่อยู่กับพระพุทธเจ้าเป็นสิบสิบปีก็ยังไม่บรรลุบรรลุ ก, ก็ยังไม่ถึงขั้นสูงสุดเช่นพระอาหน์เนี่ย เป็นพระอุปถาพระพุทธเจ้าอยู่กับพระพุทธเจ้ามาเป็นเวลายาวนานแต่เนื่องจากมีภา ร, ระที่จะต้องคอยอุปถาพระพุทธเจ้าจึงไม่มีเวลาที่จะไปเปิกวิเวกเพื่อบาเพ็ญจิตตภาวนาได้อย่างเต็มที่ก็เลยติดอยู่ขั้นโสดาบันแต่พอหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสเสด็จดับขันธปังรุณิพานไปแล้ว ปานนท์ก็มีเวลาเต็มที่ที่จะไปปีกวิเวกที่จะไปบําเพ็ญพอมีเวลาบําเพ็ญจริงๆเพียงสามเดือนตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณไว้ก็สามารถบรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดได้เลยถึงแม้ไม่ได้อยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามถึงแม้พระพุทธเจ้าจะจากไปแล้วก็ตาม แต่พระธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในสถานที่ต่างๆนี้พระอานต์จําได้หมดเลยแ ม, แม้แม้แต่ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่พระอานุ์ไม่ได้ตามเสด็จไปฟังด้วยก็ตามพระอนุ์ก็ได้ฟังอีกเพราะพระอนุ์มีเงื่อนไขในการรับใช้พระพุทธเจ้าว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ได้ตามเสด็จไป ไปตามสถานที่ที่พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมขอให้พระองค์โปรดแสดงธรรมให้แก่ข้าพเจ้าหลังจากที่พระองค์ได้ทรงเสด็จกลับมาแล้วเถิดจะพาโนนนี้จำพระสูตรต่างๆของพระพุทธเจ้าได้หมดเลยเวลาที่ทำการสังขยาณาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็อาศัยพระอานนท์นี่แหละเป็นผู้ที่จะคอยให้ความ กระจ่างถ้ามีทรรมบทไหนที่ผู้อื่นจําจไม่ได้หรือจําคาดเคลื่นอนก็จะมีพระอน์นี้ที่จะมารับรองถูกหรือผิดอย่างไรถึงแม้ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วตายไปแล้วก็ยังสามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสามารถบรรลุมรรคผลนี่ผ่านได้หลังจากที่พระพุทธเจ้าตายไปแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าพระอริยสง์สารกไม่หายไปหมดไม่มีใหม่ปรากฏขึ้นมาก็มีปรากฏขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยจนมาถึงในยุคปัจจุบันนี้เพราะว่ายังมีพระธรรมพระสงฆ์เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าอยู่นั่นเองที่จะมาคอยสอนคอยบอกวิธีของการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าปฏิบัติอย่างไร ดังนั้นถ้ายังมีความลังเลสงสัยไม่มั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ต้องไปศึกษาพระธรรมคําสอนสําหรับผู้ที่มีอินทรีย์พอที่จะศึกษาได้แต่สําหรับพวกที่มีอินทรีย์ต่ํากว่านั้นอ่านหนังสือธรรมะยังไม่เข้าใจฟังเทศฟังธรรมยังไม่เข้าใจเนี่ก็มีอีกวิธีหนึ่งก็ให้ไป ที่ปูชนียสถานสี่คือที่ประสูตรที่ตัดสรุ้ที่แสดงธรรมที่เสด็จดับขันธ์ปานิพานเหออันนี้ก็จะเป็นสำหรับพวกที่มีบารมีน้อยมากมีอินทรีย์อ่อนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ด้วยการฟังเทศฟังธรรม หรือการด้วยศึกษาพระธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าพวกนี้ก็ต้องอาศัยสถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประสูิได้ทรงตัดสรุได้ทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกและได้ทรงเสด็จดับขันธ์ะปรินิพานถ้าเขาได้ไปเยี่ยมชมสถานที่เหล่านั้นก็จะสามารถทำให้เกิดความศรัทธาความเชื่อมั่นว่า พระพุทธเจ้านี้มีจริงเนเพราะมีมีร่องรอยมีประวัติศาสตร์ยืนยันก็จะทำให้ไม่ลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้นี่คือกรณีในการสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สร้างด้วยสองวิธีสำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถศึกษา ให้เกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้ได้และนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลได้ก็จะต้องอาศัยการไปตามบูชนิยสถานต่างๆก่อนแต่ผู้ที่ได้ศึกษาเข้าใจแล้วไม่มีความส ง, ส, งสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องไปตามสถานที่ต่างๆ อย่งครูบาอาจารย์ในสายวัดป่าที่เรากล่าวไหวบูชากันตั้งแต่หลวงปู่มั่นลงมานี่แทบจะไม่มีองค์ไหนท่านต้องไปอินเดียกันเลยท่านมีศรัทธาหลังจากที่ได้ฟังเทศฟังธรรมได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านมีความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วท่านก็เลยทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการ ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนแล้วพอได้ทุ่มเทยอย่างเต็มที่ไม่ช้าก็เร็วแต่แล้วองค์ก็บรรลุมรรผลนิพพานกันขึ้นมาสิ่งที่เรารู้ได้ว่าท่านได้บรรลุมรรผลนิพพานก็คือตอนที่ท่านมรณภาพไปแล้วกระดูกบางชิ้นบางส่วนของท่านได้กลายเป็นพระาธาตุขึ้นมานี่เป็นการยืนยันว่าผู้ที่ กระดูกได้กลายเป็นพระธาตุนี้ได้บรรลุถึงพระธรรมขั้นสูงสุดแล้วคือขั้นอรัตอรหัตผลได้เข้าถึงพระนิพพานแล้วนี่คือวิธีแก้ความลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพราะถ้ามีความลังเลแล้วจะไม่มีความมั่นใจไม่มั่นใจว่าทำแล้วจะได้ผลหรือไม่ เหมือนกับสมัยนี้เวลาเราลงทุนซื้อหุ้นนี่เราก็ต้องไปหาคนที่เขารู้เรื่องหุ้นว่าหุ้นไหนเป็นหุ้นที่จะสามารถออกดอกออกผลได้มั่นคงหุ้นไหนนี้เป็นหุ้นที่อันตรายไม่ควรจะเสี่ยงถ้าเราไปซื้อเองหรือไปฟังตามคำล่ำาหลือนี้อาจจะกลายเป็นแมงเมาส์ได้ โลกแมงเมา่นี้ไม่ได้ค่อยไปศึกษาด้วยตนเองหรือไม่ได้ไปศึกษากับผู้ที่รู้เกี่ยวกับเรื่องหุ้นล้อฟังข่าวลือกันพอมีข่าวลือว่าหุ้นตัวนี้ดีก็ซื้อกันไล่ซื้อกันแล้วเดี๋ยวกลายเป็นหุ้นเน่าก็สวยไปถูกเผากลายเป็นแมงเมาเข้ากองไฟไปแม้แต่การซื้อหุ้นก็เหมือนกัน ก็ยังต้องศึกษาต้องหาแหล่งข้อมูลที่ ท, ที่ถูกต้องแล้วการลงทุนจะได้ไม่เกิดความเสียหายขึ้นมาอันนี้ยกตัวอย่างทางโลกกับทางธรรมเหมือนกันถ้าเราอยากจะมีความมั่นใจในพระพุทธรธรรมพระสงฆ์เราต้องศึกษาเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของพระธรรมคําสอนเรื่องของพระอริยสง์สาวก มีแหล่งสองแหล่งที่เราศึกษาได้คือหนึ่งพระไตรปิฎกสองจากพระอริยรสงฆ์หรือหนังสือของพระอริยรสงฆ์สากทั้งหลายอันนี้จะเป็นธรรมแท้เป็นธรรมที่ไม่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงที่เรียกว่าสวาขาโตภะวาตาธรรมโอมถ้าเป็นธรรมจากละครนี่บางทนดูละครแล้วก็เชื่อละคร ละครเขาเล่าอย่างไรเป็นอย่างไรก็ไปเชื่อตามละครอันนี้ไม่ใช่เป็นแหล่งที่จะทำให้เราเกิดศรัทธาทำให้เราหายสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องศึกษาจากพระไตรปิฎกหรือจากจากพระอริยสงสาวกเท่านั้นไปศึกษาจากละครละครมันเป็นละครปุงแต่อ แหกตาได้เพื่อความสนุกเพื่อความมหัศจรรย์ดูประวัติพระพุทธเจ้าจากระครนี้มันอาจจะไม่ตรงกับประวัติที่เป็นอยู่ในในพระไตรปิฎกก็ได้เหตุนั้นต้องระวังถ้าเราไปศึกษาจากาแหล่งอื่นจะไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นตอาจจะมีอะไรแปลกความเข้าไปมีอิทธิ ป, ปาฏิหาริย์อะไรต่างๆเข้าไป เพื่อให้สร้างความสนใจให้แก่ผู้ดูดังนั้นนะเรื่องราวต่างๆเรื่องของจิตก็เหมือนกันเรื่องของดวงวิญญาณก็เหมือนกันเนี่ยถ้าไปศึกษาจากละครแล้วเพี้ยนไปหมดเนี่ยละครมันปรงแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาทั้งๆที่ความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยะ อันนี้ต้องระวังอย่าไปเอาข้อมูลจากละครจากภาพยนตร์จากนิยายต่างๆมาเป็นเป็นเป็นแหล่งอ้างอิงความรู้ของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องอาศัยพระไตรปิฎกหนังสือที่คัดออกจากพระไตรปิฎกหรือพระคําคำสอนของพระอริยสาวกทั้งหลาย อันนี้รับประกันได้ว่าเป็นของแท้ของจริงร้อยเปอร์เซ็นไม่มีอะไรที่จะมาปรุงแต่งหรือเสริมโดยที่ไม่มีพื้นฐานของความเป็นจริง น, นี่คือวิธีแก้นิวรณ์ตัวแรกคือความลังเลสงสัยในพระพุทธพระถามพระสงฆ์ที่เรียกว่าวิจิตกิจฉา ข้อที่สองคือความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะเนี่ยที่เรียกว่ากามาฉันทะเนี่ยความอย า, อยากอยู่อย่างสุขสบายทางร่างกายก็เรียกว่ากามาฉันทะนถ้าติดสุขทางร่างกายนี่จะไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติให้จิตเข้าสู่ความสงบได้ เ, เพราะจิตจะติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรส ที่อยู่ภายนอกของจิตของใจใจจะสงบได้ใจต้องถอนออกจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถะะถ้าไปติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสก็จะปรุงแต่งไปกับรูปเสียงกลิ่นรสเมื่อมีการปรุงแต่งจิตก็จะไม่มีวันสงบได้ดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะ เ, เข้าสู่ความสงบนี้จาเป็นจะต้องกาจัดกามฉันทะ ความยินดีในรูปเสียงกดลดิ่นรสผดทะพะวิธีหรือเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้ใช้ในการกาจัดก็คือให้เราสำรวมตาหูจมูกลิ่นกายอย่าไปหารูปเสียงกดลิ่นรสด้วยตาหูจมูกรื่นกายวิธีที่จะสำรวมก็คือให้ถือศีลแปด สิบแปดนี้เป็นการสำรวมอินทรีย์นอกจากการระงับการทำบาปสี่ข้อแรกสามข้อแรกนี้เป็นการระงับการกระทำบาปสี่ข้อแรกเช่นการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดการดื่มสุรายาเมาอันนี้เป็นการระงับการกระทำบาปส่วนการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายนี้ ก็ศีลข้อที่หถึงข้อที่แปดบวกกับศีลข้อที่สามที่เปลี่ยนจากกามเมมาเป็นอัปรมามัจริยาศีลห้ายังอนุญาตให้มีกามฉันทะได้ให้เสพกามได้แต่พอถือศีลแปดนี้ห้ามไม่ให้เสพกามห้ามไม่ให้เสพรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะต่างๆ เช่นการร่วมหลับนอนกันอันนี้ก็เป็นการมัชันทะอย่างหนึ่งก็ต้องถือศีลอบรมมจริยาละเว้นจากการร่วมหลับนอนกันการมัชันทะข้อที่หกก็คือการหาความสุขจากการดื่มการรับประทานอาหารต่างๆแบบไม่มีขอบไม่มีเขตการรับประทานอาหารที่ถูกต้องควรจะรับประทานเพื่อรักษาเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้น รับประทานเหมือนรับประทานยาะให้มีขอบเขตให้มีเวลาถ้าถือศีลแปดนี่ก็ให้รับประทานได้ไม่เกินเที่ยงวันก็พออันนี้ก็เป็นวิธีปราล์มหรือระ ง, งับการมฉันทะผ่านทางการการรับประทานการเด่มต่างๆถ้าจะเด่มก็เดิมด้วยสิ่งสิ่งที่จําเป็นร่างกายเดิม เพราะร่างกายร่างกายขาดน้ำถ้าเด่มเพื่อร่างกายเดื่มน้ำเปล่าก็พอไม่จาเป็นจะต้องเดื่มน้ำที่มีกลิ่นมีสีไม่รสเพราะนั่นก็เป็นการม่นฉันทะอีกเหมือนกันเติดกลิ่นของเครื่องดื่มชนิดนั้นชนิดนี้เติดรสของเครื่องดื่มชนิดนั้นชนิดนี้ ติดสีติดรูปของรูปอของเครื่องเดิมชนิดนั้นชนิดนี้ถ้าถ้าเดิมเครื่องเดิมที่มีรูปเสียงกลิ่นรสนี่ก็ถือว่ายังเป็นกามาชันทะอยู่ถ้าอยากจะหยุดกามาชันทะก็ต้องดื่มน้าเปล่าเวลาที่หิวน้ำก็ดื่มน้ำเปล่าไปเดื่มเป็นเหมือนยาเพื่อย า, ยาความขาดแคลน ของร่างกายอาหารก็กินเพื่ออยู่อยากกินเพื่อรูปเสียงกินลสของอาหารอีกเหมือนกันวิธีที่จะทำลายการกินแบบกามาฉันทะก็คือต้องคลุก ม, มันเอาอาหารที่จะต้องเข้าไปอยู่ในท้องนี่มารวมกันในจานก่อนในชามก่อนไม่ว่าจะเป็นของขควของหวานก็ตามเดี๋ยวมันต้องไปรวมกันที่ไหนท้องมันไม่ได้ไปรวมกันที่ไหน ถ้ารับประทานเพื่อเป็นยารับประทานเพื่อไม่ใช่เป็นกามฉันธาเราก็ต้องเอามารวมกันเลยอาหารขาวหวานของขาวของหวานของที่จะเข้าไปในกระเพาะเนี่ยเอามาใส่ในชามในจานแล้วก็คนมันคุกมันให้มันเป็นเหมือนตอนที่มันเข้าไปอยู่ในท้องนัง่นเราอยตักกินเข้าไปรับรองได้ว่า การมฉันทะเกี่ยวกับเรื่องอาหารนี้จะหมดปัญหาไปถ้าไม่เช่นนั้นเดี๋ยวมันจะฝันถึงอาหารชนิดนั้นขนมชนิดนี้เวลาจะนั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธได้สองคำไปแล้วไปหาไก่ทอดละไปหาแกงเผ็ดละไปหาขนมหวานละไปหาเค้กละหากาแฟและจิตมันจะไป แต่ถ้าเราบังคับให้มันกินแบบกินแบบไม่หาความสุขจากการมะฉันทะต้องบังคับให้มันกินแบบคุกกันรวมได้อยากจะกินกาแฟาก็ใส่เข้าไปอยากจะกินขนมเค้กก็ใส่เข้าไปอยากจะกินแกงไก่ก็ใส่เข้าไปขอให้มันรวมกันเป็นที่เดียวกันก็นแล้วกัน ให้มันกินแบบนั้นแ้ะต่อไปมันจะไม่ฝันถึงเลยของเัื่นี้มันจะฝันแต่เอาของที่มันรวมกันอยู่ในชามนัเนอร์พอคิดถึงของที่อยู่ในชามันก็ไม่หิวแล้ะมันก็ไม่อยากขึ้นมานี่คือวิธีแก้ไม่เช่นนั้นเดี๋ยวตอนเย็นคนถือศีลแปดนี่จะหิวนะหิวเราจะกินข้าวจะภาวนาไม่ออกเพราะจิตมันจะปรุงแต่งอยู่กับขนมกับอาหารชนิดนั้นชนิดนี้เพราะเคยกินอาหารเย็นมาทุกวัน โดยเฉพา ะ, ะถ้าได้ไปกินตามงานเลี้ยงตามอะไรต่างๆยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งคิดถึงอาหารชนิดต่างๆรับรองได้ว่าใจจะไม่มีวันที่จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าไม่สามารถกำจัดกามฉันทะตัวนี้ได้นิวรณ์สศีลข้อห้าก็สี่ข้อหกนี่วิธีกินแบบทำให้ไม่เกิดกามฉันทะขึ้นมา กินน้อยๆแล้วยังไม่พออากินต้องกินแบบไม่ให้เกิดกามฉันทะไม่มีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสของอาหาราวิธีไม่ให้มันยินดีก็คือต้องมารวมมันเอของค้าของหวานอาของอะไรต่างๆมารวมกันอพอมันเห็นมันเละไปหมดขนมเค้กก็เละของกรอบๆ ก, ก็เละไปหมดมันก็กินไม่ลง การมาฉันทะก็หายไปทนี้ต้องบังคับให้มันกินแล้วสิเพราะต้องกินแบบกินยาเนี่ยเหมือนเวลาเรากินยาบางทีหมอเขาให้ยาน้ํา ม, มาดื่มเนี่ยยาเนี่ยรสมันก็ไม่อร่อยใช่ไหมยาเนี่ยขมมีรสอะไรที่ไม่น่าปรารถนาแต่เราก็ต้องบังคับให้มันกินเพราะว่าเพื่อมันจะได้รักษาร่างกายให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ อย่างเยเ ช, นช่นพวกยาเคลือบกบระเพาะนี่มันไม่มันไม่ไมีมน่าดื่มเหมือนกาแฟนยไม่เหมือนน่าดื่มเหมือนน้ำชากาแฟไม่เหมือนกับเครื่องดื่มต่างๆจะดื่มนี้ต้องบังคับมันนี่ก็เหมือนกันการรับประทานอาหารต้องทำให้อาหารมันกลายเป็นยาให้ได้พอมันเป็นยาแล้วทีนี้เราก็จะบังคับมันต้องบังคับมันถึงจะกินลงถ้าไม่บังคับมันกินไม่ลง ต่อไปมันจะไม่หิวอาหารตกเย็นมันก็ไม่คิดถึงอาหารถ้ามันรู้ว่าถ้าจะกินอาหารก็ต้องกินแบบนี้แบบเดียวนี่ก็คือวิธีกำจัดกามฉันทะที่มาทางอาหารแล้วนอกจากนั้นยังมีกามฉันทะที่มาจากการดูภา พ, พยนตร์ดูมหรสยบันเทิงต่างๆกามฉันทะที่ มาจากการไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆการมาฉันทะที่มาจากการเสริมสวยความงามของร่างกายแม้จะไปเที่ยวทีไปข้างนอกทีนี้ต้องหาชุดนัด้นชุดนี้มาสวมมาใส่เพเหนื่อยไหนจะต้องเสียเวลาไปซื้อไปสรรหาตามร้านค้าต่างๆพอซื้อมาเสร็จก็เอามาใส่ครั้งสองครั้งก็เบือ่อละ เดี๋ยวส่ซ้ำไม่ได้ละ เ, เดี๋ยวจะโดนคนทักว่ามีแค่นี้เหร อ, อ, อก็ต้องไปซื้ออีกเสียเวลากับการไปสรรหาซื้อเสื้อผ้าสรรหากับการไปแต่งหน้าแต่งตัวทำเเผาทำผม อ, อ, อะไรร้อยแปดประการเนี่ยนี่ก็คือการมชันทะเหมือนกันเออนั้นต้องห้ามไม่ให้ดูภาพพยมมหามหาสบบันเทิงต่างๆ ไม่มีการร้องลำทำเพลงไม่มีการออกไปเที่ยวตามสถานที่หรือตามงานต่างๆที่ไหนมีงานอุน่นอุ่นไออะไรอย่างนี้ก็ไม่ให้ไปมีงานกาชาติมีงานอะไรก็ไม่ไปห้ามนี่ศีลก็แปดได้ห้ามหมดแล้วก็แต่งกายให้แบบสบายสบายง่ายๆเรียบง่าย อาบน้ำอับทาล้างหน้าล้างตาให้สะอาดหวีผ้าหวีผมก็พอไม่ต้องใช้เครื่องสำอางไม่ต้องใช้อะไรต่างๆมาเสริมสวยความงามนี่เป็นการมาฉันทะทำไมต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่าถ้าเอาเวลามาใช้กับกิจกรรมเหล่านี้มันก็จะไม่มีเวลาไปทำภาวนานั่นเอง ไม่มีเวลาที่จะไปเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่มีเวลาที่จะไปเปรกวิเวกอยู่คนเดียวเพราะการสำรวมอินทรีย์แล้วยังไม่พอยังต้องไปอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นลดด้วยเพราะถ้าไปอยู่ในที่ที่คนก็ยังกินข้าวเย็นอยู่เราไม่กินข้าวเย็นเดี๋ยวได้ยินกลิ่นได้กลิ่นอาหารได้ยินเขากินกันหรือเ้าดีไมด่ดีก็มาชวนเราด้วย ถ้าเราไม่กินเขาก็เขาก็ไม่แฮปปี้เขาเห็นเราอดเขาก็ไม่อยากจะดูเราอดขณะที่เขาอิ่มเอเขาก็จะต้องมาขยานันขยอมมาชวนอย่างนั้นอย่างนี้เอมาขอร้อ ง, อ ย, งอย่างนั้นอย่างนี้เอแล้วถ้าใจอ่อนก็น้อมไปต้องยอมยอมปฏิบัติตามที่เขาขอร้อง แต่ถ้าเราไปอยู่คนเดียวนี่ไม่ได้ไปอยู่กับใครนี่ก็จะไม่มีใครม า, ามาลบกวนใจมาคอยดึงให้เร า, อ, าออกจากการาถือเรียกเนคขมมะเนคขมมะก็คือการออกจากกามสุกนี่ไการออกจากกามฉันทะเรียกว่าในคขมมะศีลแปลนี้เรียกว่าเป็นในคขมมะ การถือศีลแปก็ถือการถือเนคขมะหรือบวชนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปะนี่ก็เรียกว่าบวชนกคามะความจริงไม่ใช่บวชพรามเพราะว่ า, าพรามนี่เป็นศาสน า, าพรามเราเป็นาศาสนาพุทธแต่เรามักจะพูดติดปากกันว่าบวชพรามนี่คือเรื่องของ การกำจัดกามฉันทะในรูปแบบต่างๆประการสุดท้ายก็ขณะนอนก็ยังเป็นกามฉันทะได้เชื่อไหนอนต้องนอนพูกหนาๆเตียงใหญ่ๆนอนให้มันสบาย น, นี่ก็เรียกว่ากามฉันทะจากการหลับนอนถ้านอนบนเตียงหนาๆพูกหนาๆเตียงใหญ่ๆก็จะนอนมากเกินไป ก็จะเอาเวลาอันมีค่าของการมาบำเพ็ญจิตตภาวนาการมาทำใจให้สงบในหมดไปถ้านอนถ้าจะนอนแบบไม่ใช่กามัฉันทะาก็ต้องนอนบนพื้นแข็งๆเช่นพื้นไม้พื้นพื้นที่เราพื้นดิงอะไรนี้ก็ได้อาจจะใช้ผ้าหรือเสือปูเพื่อกัน การความเย็นที่จะมาทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้อันนี้ใช้ได้ถ้าใช้ผ้าหรือใช้อะไรบางๆที่จะกันไม่ให้ร่างกายถูกความเย็นของพื้นนี้มาทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถปูผ้าหรือปูอะไรบางๆหน้าที่นอนบางๆได้ถ้านอนแบบนี้มันจะนอนไม่นานเพราะมันจะไม่สุกไง พอเวลาร่างกายได้พักผ่อนแล้วก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่มีความอยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สุขสบายเหมือนกับนอนบนฟุกนนหนาหนาเตียงใหญ่ๆเนอันนี้ก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งในการกำจัดกามฉันทะที่เป็นตัวที่จะมาคอย ดึงเอาเวลาต่างๆดึงจิตให้ออกข้างนอกดึงจิตให้ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราต้องการให้จิตเข้าสู่ความสงบเราต้องดึงออกจากตาหูจมูกลิ้นกายดึงออกจากรูปเสียงกลิ่นน็อะวิธีดึงก็ต้องห้ามไม่ให้มันไปเข้าใกล้กับรูปเสียงกลิ่นรดตต่างๆนั่นเองด้วยการถือศีลแปดถือศีลแปดแล้วบางทียังไม่พอเพราะว่า ถึงแม้จะถือศีลแปดแต่ก็ยังอยู่สิ่งแวดล้อมก็ยังมีอยู่สิ่งแวดล้อมคือรูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆก็ยังมีอยู่ถ้าเราไปถูกสัมผัสเข้าเมื่อไหร่ก็อาจจะถูกดูดออกไปอีกก็ได้บางทีก็ศีลก็อาจจะขาดได้เพราะสู้กำลังของกามฉันทะไม่ได้ห็นวิธีที่จะทาให้เราไม่ผิดศีล เราก็ต้องไปอยู่ที่ที่ห่างไกลาจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองเรียกว่าไปปรีกวิเวกไปหาที่สงบสงัดปราศจากรูปเสียงกลิ่นรสที่จะมาคอยหนึ่งจิตดึงใจให้ออกจากออกจากข้างในไปสู่ข้างนอกมั่นเองอันนี้ก็ต้องเรียกว่าไปปรีกวิเวกเช่นไปอยู่ตามวัดปฏิบัติต่างๆสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่ๆก็ ไม่รู้จะไปที่ไหนก็ไปที่วัดที่มีการปฏิบัติมีการถือศีลแปดมีการปฏิบัติเนคขมะมีการปฏิบัติจิตตภาวนามีการแสดงธรรมฟังเทศฟังธรรมสถานที่เหล่านั้นอย่างสถานที่ที่นี่อย่างที่ท่านทั้งหลายมาฟังธรรมกันนี่อย่างน้อยท่านก็ได้ชั่วโมงสองชั่วโมงได้ปีกวิเวกจิตใจไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่าง มาดึงให้ออกไปให้วุ่นวายใจแต่มันยังไม่พอเท่านั้นเองเวลามันน้อยไปหน่อยมันยังไม่พอที่จะดึงใจให้เข้าสู่ข้างในได้เต็มที่ต้องปีกวิเวกวันวั น, วนเลยถึงจะมีเวลาพอที่จะดึงใจให้เข้าข้างในได้แต่สถานที่ปีกวิเวกนี้สำคัญมากแต่สำหรับผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติและอาจจะเห็นว่า สถานที่ปฏิบัติในวัดถึงแม้ว่าจะสงบก็ยังไม่สงบเท่ากับสถานที่ไปอยู่คนเดียวก็อาจจะต้องไปทุดงกันออกไปทุดงในป่าในเขาไปอยู่กันตามลำพังเลยทีนี้นะจะได้สถานที่วิเวกเต็มร้อยเลยแล้วไม่มีอะไรมารบกวนใจเลยอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านไปเปรกวิเวกอยู่เชียงใหม่ถึงสิบปีด้วยกัน มาอยู่องคเดียวไม่ยอมให้ใครอยู่ด้วยใครมาอยู่ก็อาจารย์โนโลมช่วงเข้าพรรษาให้อยู่ได้สามเดือนพอออกพรรษาปั๊บก็ท่านกน็หนีเลยท่านก็ไปปีกวิเวกต่อท่านเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญของการปีกวิเวกมากเพราะเป็นตัวที่จะมาคอยกาจัดกามฉันทะที่จะคอยดึงใจให้ออกมาข้างนอกนั่นเอง ท่านต้องการเข้าข้างในเพราะท่านรู้ว่ามรรคผลนิพพานอยู่ข้างในมรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสผลถะพระแต่อยู่ที่ข้างในอย่างน้องปู่ดุลท่านก็บอกว่านะถ้าจิตออกนอกก็เป็นสมุทยัยสมุทัยก็คือต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆนั่นเองถ้าจิตเข้าข้างในก็เป็นมรรคเข้าข้างในก็เป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานขึ้นมา นี่นี่คือทำไมเราจึงต้องคอยกำจัดตามาชันทะเพราะตัวนี้มันเป็นตัวร้ายกาศตัวที่จะคอยดึงจิตดึงใจให้ออกข้างนอกไม่ให้เข้าข้างในแต่อยากจะให้จิตเข้าข้างในนี้ต้องใช้เนี่ยการถือศีลเนคขมอสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ต้องไปปรีกวิเวก ถึงแม้ไปปีกวิเวกแล้วมันก็ยังสามารถดิ้นอยู่ในใจได้อยู่อันนี้ก็เป็นตัวนิวรณ์อีกตัวที่จะต้องแก้คือความฟาุ้งซ่านถึงแม้ไปอยู่คนเดียวปีกวิเวกอยู่มันก็ยังอดคิดปรุงแต่งไม่ได้ะทําให้จิตฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ทําให้จิตไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ไอตัวนี้ต้องอาศัยทำอีกตัวหนึ่งมาแก้คือสตินี่เอง ต้องเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยเพราะความคิดปรุงแต่งนี้ถึงแม้จะไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวแล้วมันไม่หยุดมันไม่กลัวมันไม่กลัวศีลนะความคิดปรุงแต่งสีลแต่นี้มากำจัดมันไม่ได้สิ่งที่จะมากำจัดมันได้ก็คือสตินี้เท่านั้น ที่จะหยุดมันไม่ให้มันคิดปรุงแต่งไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจิตก่อนที่มันจะออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสได้นี้มันต้องอาศัยความคิดปรุงแต่งก่อนพอคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสปั๊บเกิดตัณหากา마เกิดกามะฉันทะขึ้นมาทันทีเกิดกา마ตัณหาขึ้นมาทันทีพอคิดถึงกาแฟก็อยากจะเดมขึ้นมาทันทีพอคิดถึงขนมก็อยากจะกินขึ้นมาทันทีฉะนั้นต้องใช้สติมาหยุดตัวนี้ เขาเรียกว่าความฟุง้งซ่านความคิดปรุงแต่งหารูปเสียงกลิ่นรสจะทำให้จิตใจวุ่นวายฟุ้งซ่านไม่สงบนั่นเองตัวนี้ก็ต้องใช้ใช้สติต้องเจริญสติตลอดเวลาทำไมต้องเจริญสติตลอดเวลาก็เพราะว่าความฟุ้งซ่านมันฟุ้งซ่านได้ตลอดเวลานั่นเองมันคิดอยู่ตลอดเวลา พอเราลืมตาขึ้นมามันก็เริ่มคิดแล้วพอมันเริ่มคิดเราก็ต้องเริ่มหยุดมันนะเราก็ต้องเหยียบเบรกแล้วเหมือนรถเนี่ยพอเรารถที่อยู่บนเขานี่ถ้าเราไม่เหยียบเบรกนี้มันก็ไหลแลยพอต้องการให้มันหยุดก็ต้องเหยียบพ อ, พอเหยียบพอมันหยุดเราก็เราก็ปล่อยพอปล่อยมันก็ไหลไหลแล้วก็ต้องเหยียบอีกเราเลยต้องมีสติตลอดเวลา เพื่อที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งที่จะทำให้ใจฟุ้งซ่านขึ้นมานั่นเองถ้าใจคิดปรุงแต่งไม่หยุดความคิดปรุงแต่งใจจะเข้าสู่ความสงบไม่ได้นี่จึงที่มาทำไมเราจึงต้องมาเจริญสติกันเจริญสติเพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆไม่ให้มันคิดไม่ให้มันอยากพอมันไม่คิดมันไม่อยากมันก็จะนิ่งจะสงบจะเย็นจะสบาย จะเป็นสุขเป็นอุเบกขาขึ้นมานี่นิวรณตัวที่สามก็คือความฟุ้งซ่านนิวรณตัวที่สี่ก็คือความโกรธบางทีก็โกรธตัวเองหรือโกรธคนอื่นถ้าเราพยายามทำสมาธิอยู่คนอื่นมาทำอะไรรบกวนเราเราก็จะโกรธขึ้นมาได้เขาไม่รู้เรื่องของเราเราอยากจะทำความสงบแต่เขาอยากจะทำนู่นทำนี่ส่งเสียงก็๊กแก๊ก บางทีเวลาที่ไปอยู่วัดหรือที่ยังต้องอยู่น่วมกันอยู่ในหอพักหรืออะไรคนบางคนก็ไม่รู้จักวิธีสำรวมทำอะไรก็อาจจะส่งเสียงดังไปรบกวนคนที่จะนั่งสมาธิคนที่นั่งสมาธิพอถูกเสียงรบกวนก็เกิดความโกรธขึ้นมาได้พอเกิดความโกรธใจก็จะร้อนขึ้นมา จะคิดแต่ว่าจะทำไงกับคนที่ทำให้เราโกรธนี่จะไปด่าเขาไปว่าเขาหรื อ, อยังไงดีถึงจะทำให้เข า, เาหยุดส่งเสียงหยุดรบกวนเร า, เาไปคุยแล้วบางทีคุยแล้วเขาก็ไม่ทำตามที่เราพูดเพราะเขาไม่กลัวเร า, เ, าเขายัางทำอยู่แเราก็ยิ่งโกรธใหญ่ ถ้ายิ่งอยากให้เขาหยุดเขาไม่หยุดเราก็ยิ่งโกรธใหญ่วิธีที่จะแก้ความโกรธนี้อย่าไปแก้ที่เขาเราต้องมาแก้ที่เราเราต้องยอมรับความจริงว่าเราอยู่ในที่แบบนี้ก็อาจจะมีเสียงบ้างมีคนนั้นคนนี้ทำอะไรบ้างตามภาษาของเขาเขาไม่รู้หรือเขารู้ก็ตามแต่เราไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้ บางทีก็สั่งได้บางคนพูดกันเข้าใจเขาก็หยุดได้บางคนเขาไม่เข้าใจหรือเขาไม่พอใจที่เราไปพูดกับเขาเขาก็อาจจะไม่ยอมหยุดก็ได้ยิ่งถ้าเราไปแก้ที่เขาเราจะยิ่งโกรธใหญ่เพราะเขาไม่ทาตามที่เราบอกองั้นเราต้องมาแก้ที่เราดีกว่าแก้ที่สามยอยอมหยุดเย็นอยอมให้เขาทำอะไรตามเรื่องของเขา เพราะเราไม่มีอำนาจที่จะไปหยุดเขาได้มองให้เขาเห็นว่าเป็นอนัตตาเป็นเหมือนฝนตกฟ้าร้องเวลาฝนตกฟ้าร้องดังขนาดไหนเราก็ไม่ได้ไปโกรธฝนโกรธฟ้าเราก็อยู่กับมันได้ใช่ไหมยันถ้าเรามองเขาว่าเป็นเหมือนฝนตกเสียงเขาเหมือนเสียงฝนตกเหมือนเสียงฟ้าร้องเราไปห้ามเขาไม่ได้หยุดเขาไม่ได้เรายอมดีกว่า ให้อภัยเขาอย่าไปโกรธเขาอย่าไปถือโทษโกรธเคืองเขาเรียกว่าเมตตาถ้าคิดว่านี่เป็นความสุขของเขาก็ให้เขาไปมีความสุขไปพอเรายอมเรายอมไม่ไม่โกรธเขาได้ใจเราก็เย็นแล้วเราก็จะกลับมานั่งสมาธิได้ถึงแม้จะไม่ได้สงบอย่างเต็มที่อย่างนั้นก็ยังสามารถนั่งได้เพราะไม่มีความโกรธมาเป็นอุปสรรคขวางกั้นอยู่ นี่ก็ตัวที่สี่นิวรณต้องคอยกำจัดความโกรธบางทีก็โกรธตัวเองก็มีมาปฏิบัติถ้าเป็นแทบตายไม่ได้ผลสัทีโมโหตัวเองอันนี้ก็อย่าไปโมโหเดี๋ยวมันจะพานกูไม่ร บ, ฏบววปฏิบัติดีกว่าปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลปฏิบัติไปทาไมโกรธตัวเอง อ, อย่าไปโกรธตัวเองก็บอกว่า การปฏิบัติมันก็อย่างนี้แหละมันการจะทำอะไรที่เรายังทำไม่ได้มันก็ต้องหัดต้องทำต้องล้มลุกคลุกคานเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กตอนที่เราเป็นเด็กเราจะวิ่งเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้ถ้าเรายังคานอยู่เราก็ต้องหัดยืนก่อนหัดเดินก่อนหัดวิ่งก่อนถึงเราจะไปวิ่งเหมือนคนอื่นได้ตอนที่เราหัดมันก็มีการผิดพลาดได้เพราะความไม่ชนานาญกาลังไม่พอ ลุกขึ้นมาเดินได้สองสามก้าอ้าวล้มลงไปอีกแล้วก็พยายามทำไปเรื่อยเอเดี๋ยวมันก็ก้าวหน้าไปเองเด็กมันถึงเป็นผู้ใหญ่ได้เพราะมันไม่ยอมแพ้นะถ้าพวกเรายอมแพ้ตั้งแต่เป็นเด็กกูไม่หัดเดินแล้วไม่หัดวิ่งแล้ว ก็ไม่ก็ต้องคายไปตลอดชีวิตใช่ไหมแต่พราะเรามีความพยายามเราอยากจะวิ่งเหมือนเขาเราก็ต้องพยายามเราอยากจะได้มากผลนิพานเหมือนเขาเราก็ต้องพยายามต้องอดทนต้องทําไปตามกําลังของเราได้มากได้น้อยก็ก็พอใจกับอผลที่เราได้ถึงแม้ไม่ได้ผลก็ให้พอใจว่าอย่างน้อยเราได้สร้างเหตุเนี่ย ถ้าเราไม่ได้สร้างเหตุผลยังไม่มีวันเกิดขึ้นได้เลยอย่างน้อยถ้าเราได้สร้างเหตุถึงแม้จะเป็นเหตุที่ไม่ถูกที่ไม่เกิดผลมันก็จะทำให้เรารู้ว่าวิธีนี้ไม่ถูกเราจะได้สร้างวิธีใหม่เปลี่ยนวิธีใหม่ได้งั้นถ้าเรามองในในง่าบวกนี้เราจะไม่โกรธตัวเองถึงแม้ยังไม่ได้ผลอย่างน้อยผลได้ก็คือเรากําลังพยายามปฏิบัติ อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นผลอย่างหนึ่งแล้วถ้าเราบังคับตัวเราเองให้มาปฏิบัติได้ดีกว่าคนไม่มาปฏิบัติเลยคนที่ไปเที่ยวกับคนที่มาปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลอย่างไหนจะดีกว่ากันไปเที่ยวถ้าไปเที่ยวไม่มีวันที่จะได้ผลเลยถ้ามาปฏิบัติถึงแม้วันนี้ไม่ได้ผลแต่พยายามปฏิบัติไปเรื่อยพยายามปรับการปฏิบัติไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ต้องได้ผลเอง ให้คิดแบบนี้แล้วเราจะได้ไม่โกรธตัวเองไม่เสียใจไม่ท้อแท้เบื่อหน่ายกับการปฏิบัติเนอันนี้ก็เรียกว่าวิธีกำจัดความโกรธนิวรตัวสุดท้ายก็คือความง่วงนอนความเกียดข้านความง่วงนอนนี้ก็ท่านก็ให้แก้ด้วยการรับประทานอาหารให้น้อยๆรับประทานพอประมาณ อย่าไปให้มันอิ่มล้วประทานพอให้มันหายหิวก็พอเนี่ยการหายหิวกับการอิ่มนี่มันคนระดับกันนะพอเรารับประทานไปเบื้องต้นนี้สิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือความหิวจะหายไปก่อนแต่ความอิ่มยังไม่อิ่มนะให้เราหยุดตรงนั้นอย่าไปกินให้มันอิ่มถ้ากินอิ่มมันจะต้องกินอีกจานหนึ่งกินให้มันหายหิวก็กินแค่จานเดียวถ้ากินให้มันอิ่มเนาะกินสองจานอย่างนี้ก็กินจานเดียวก็พอ กินเพื่อดับความหิวอย่าไปกินให้มันอิ่มแล้วถ้าอยากมันให้ให้มันอิ่มก็ให้มันอิ่มปลอมด้วยการดื่มน้ําเข้าไปดื่มน้ําเข้าไปแล้วมันก็จะอิ่มปลอมอิ่มปลอมมันจะไม่เป็นปัญหามันจะไม่ทําให้ง่วงนอนมันจะไม่ทําให้เกียจค้านแต่ถ้าอิ่มจริงนี่มันง่วงนอนนั้นนี่คือวิธีแก้ต้องอย่าไปรับประทานอาหารมากเกินไป บางทีขนาดลดลงไปแล้วมันยังง่วงอยู่บางทีก็ต้องหยุดมันแทนที่จะกินทุกยี่บสี่ชั่วโมงก็กินมันทุกสี่สิบแปดชั่วโมงไปอันนี้ให้เวลาการกินห่างออกไปธรรมดาเรากินวันละมือ้อยีิบสี่ชั่วโมงกินครั้งหนึ่งตอนต้นก็ลดครึ่งหนึ่งเมื่อก่อนกินให้อิ่มทีนี้รู้ว่าอิ่มแล้วง่วงก็กินมาให้มันไม่ให้หิว ก็กินครึ่งเดียวกินครื่งเดียวมันก็ยังง่วงอีกถ้าง่วงอีกก็ยื่นเวลาออกไปจากยีงง่บสี่เป็นสี่สิบปดชั่วโมงกินทุกสองวันกินวันเว้นวันอย่างงี้ทำอย่างนี้ไปแล้วรับรองได้ว่าความง่วงนอนความหามนอนความเกียดค้านี้มันจะหายไปหรือไม่ฉะนั้น ก็ต้องไปหาที่ที่มันหวาดเสียวน่ากลัวไปที่ที่มันทำให้เราเกิดความกลัวขึ้นมานเช่นบนเขานี่บางคนไม่เคยอยู่ป่านี่พอให้มาอยู่นี่บางคนอยู่ไม่ได้พอมืดลงนี่เดี๋ยวผีเผออะไรไม่รู้มาเต็มไม่หมดถ้ายนอนก็นอนไม่หลับเพราะความกลัวเลือไปอยู่ป่าช้าอย่างนี้อยู่ตามป่าตามเขา ตามสถานที่ที่เงียบสงบสงัดวิเวกวังเวงอันนี้จะช่วยในการกำจัดความกวนไอ้ความจัดความง่วงนอนได้บางท่านนี่ก็ไปนั่งที่นั่งสมาธิที่หน้าผาเลยถ้าถ้าสับประงกก็หวัวทิ่มลงลงเขาไปเลยบางท่านก็ไปเดินเดินจงกรมตามทางที่มีรอยเสือเดินอยู่ จะได้มีอะไรคอยเตือนสติว่าเสือมันอยู่ใกล้ๆแถวนี้พอคิดถึงสิ่งที่เป็นภัยขึ้นมานี้ความว่วงนอนนี้มันจะหายไปหมดเลย น, นี่คือวิธีกำจัดนิวรณ์ต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติจิตตภาวนาต่อการมบรร ล, ลุมรรคผลนิพพานเนเรื่องราวที่เราอ่านประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆท่านใช้มาตรการเหล่านี้ทั้งนั้น ทำไมท่านถึงว่าอยู่ป่าทำไมต้องไปอยู่ป่าชา้าทำไมต้องอดอาหารบางคนก็ถือใ น, ในสัตชิกทำไมต้องไม่นอนทำไมให้ถือสามวิรยาบทอันนี้เป็นมาตรการในการที่จะกำจัดความเกลียดค้านต่างๆในใ น, ในสัตชิกก็ไม่ให้นอนเลยถ้าจะหลับก็ให้หลับแค่ในในสามท่าท่ายืนท่าเดินท่านั่งเท่านั้นถ้าหลับในสามท่านี้มันก็จะหลับไม่นาน ถ้าหลับในท่านอนมันจะหลับนานมันจะมันจะหลบไปด้วยการหลับหีการปฏิบัติด้วยการไปหลับไปนอนท่านก็เลยเบรกมันไม่ให้มันหลับไม่ให้มันนอน น, นี่ก็คือวิธีการต่างๆที่เราจะต้องใช้ในการกำจัดนิวร อ, อุปสรรคเครื่องกีิดขวาง ความสงบถ้าเราต้องการความสงบเลาหนีไม่พ้นจะต้องกับจัดนิวรเหล่านี้ถึงจะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าเรายังยังติดอยู่กับความสุขทางร่างกายอยู่ก็อย่าไปหวังความสงบทางจิตใจเพราะจะโดนกามะฉันทะลุมเล้าอยู่ตลอดเวลาจะคอยดึงจิตให้ออกข้างนอกอยู่ตลอดเวลาให้ออกมาหาความสุขทางร่างกาย ดังนั้นถ้าเราอยากจะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่มรรคผลนิพพานเราต้องใช้มาตรการที่พระพธเจ้าได้ทรงสอนให้มากาจัดออนิวรณ์ทั้งห้านี้คือความรังเลยสงสัยวิจิตกิจฉาการมฉันทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะออความโกรธออความฟุ้งซ่าน แล้วก็ความง่วงเหงาหานอนถ้าเรากำจัดนิวรณ์เหล่านี้ได้จิตจะเข้าสู่ความสงบได้อย่างแน่นอนก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะท้าวเรวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารัง เควาเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปะติอิจชิตังปฏทิตังตุมหังเขปะเมวะสมิจโตสัพเเโปเรนตตสังกปาจันโทปนาระโสยะาเมนิชติอระโสยะาสัพพิโยวิวัชจันโตสัพพารโควินัสตุ มาเตภวัตวันตารายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตาโรโธรมมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ ค่ะวันนี้จาก f a c e b o o สามร้อยสา b สิบเจ็ดยสองร้อยี่สิบหกวิทยุออนไลน์สี่สิบสองรับฟังบนเขา2ยี่สิบเก้ารวมทั้งสิ้นหกร้อยสามสิบสี่ท่านค่ะค่ะวันนี้ไม่มีใครหนีเรียนหกร้อยกว่าถ้าต่ำกว่าหกร้อยก็ถือว่าไม่คนหนีเรียนนะมีคำถามไหมใครอยากจะถามอะไรไหม ใครอยากกะถามก็ยกมยนะือจะส่งไมค์ไปให้อ่าครงนี้ลงไมค์ปให้หน่อยเลยเข้ามาทางนี้หน่อยเข้ามาเข้ามาหาไมโครโฟนหน่อยเอมืม่อเมือม่อเมื่อคืนนี้ผมอยา่าเออ่เมื่อคืนนี้ก็นั่งภาวนาะแต่มันรู้สึกว่าอากาศหนาวแล้วอม ร่างกายมันกระดงอย่างนี้แล้วก็ตื่นขึ้นมามันนั่งไม่ได้ครับแล้วก็แล้วเมื่อเช้าเมื่อเช้าหลังหลังกินเสร็จขึ้นมาก็ก็นั่งได้โอเคคือรู้สึกว่าง่ายขึนครับออง่ายกว่าเดิมครับถ้าถ้ามาอยู่คนเดียวมีเวลาฝึกสติจิตไม่ออกข้างนอกมันก็จะนั่งสมาธิเข้าสู่ความสงบได้กว่า ถ้าอยู่บ้านอยู่ที่มีคนมีเรื่องมีราวเยอะๆจิตมันติดถูกดึงออกไปข้างนอกพอจใจมันเข้าข้างในมันก็ยากแต่ถ้ามาอยู่อย่างที่บนเขานี้ไม่มีเรื่องราวอะไรต่างที่จะดึงใจออกไปข้างนอกนอกจากใจส่งไปเองถ้าเราไม่ส่งออกมันก็เข้าข้างในได้ง่ายแต่มันก็ไม่แน่นอนบางวันก็ง่ายบางวันก็ยาก ก็ต้องพยายามใช้สติคอยดึงมันให้เข้าข้างในอยู่เรื่อยๆพยายามพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหรือเฝ้าดูร่างกายไปว่ากําลังทําอะไรอยู่อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้แล้วพยายามนั่งบ่อยๆหมดแล้วเลยถ้าเอาทั้งคำถามทั้งบ้านเลยก็ได้นะไม่ต้องปิดไม้ก่อนนะ เป็นแล้วเป็นนะคำถามจากผู้รับฟังบนเขานะคะคำว่าปริยัตสำหรับปฏิบัติครอบคลุมแค่ไหนคะบางคนบอกว่าเจ็ดคำพีโพธิปักกยธรรมบางคนบอกมหาสติปัฐานคะ่ะเออเอาแค่ธรรมะที่เราต้องมาใช้ในการปฏิบัติเท่านั้นก็พอ ถ้าเราอยากจะทำทานแล้วก็เรียนเรื่องทานอย่างเดียวก็พอว่าทำอย่างไรถึงจะทำทานแบบถูกต้องถ้าอยากจะรักษาศีลก็ศึกษาว่าศีลมีกี่ข้อแล้วก็รักษามันไปให้ได้ถ้าอยากจะนั่งสมาธิก็ฝึกวิธีนั่งเรียนวิธีนั่งสมาธิไม่ต้องไปเรียนทั้งคัมภีร์หรอกเอาเป็นเอาเอาทีละขั้นทีละตัวไปเหมือนกับเรียนหนังสือในมหาลัย เขามาให้มเรียนทั้งปริญญาเอกทั้งหมดนะพอเริ่มอนุบาลก็ให้เรียนวิชาทุกวิชาเพื่อให้จบปริญญาเอกทีเดียวพร้อมกันมันไม่ใช่หรอกอนุบาลก็สอนขั้นอนุบาลไปก่อนอมัธยมก็สอนขั้นมัธยมปริญญาก็สอนขั้นปริญญาไปตามขั้นของมันการปฏิบัติเราก็ปฏิบัติเป็นขั้นไปขั้นแรกพระพุทธเจ้า บ, บอกให้ทาทาน ให้แบ่งปันให้เสียสละถ้ามีเงินทองเหลือกินเหลือใช้อย่าเอาไปใช้ตามความอยากเอาเงินทองที่จะใช้ตามความอยากนี่มาทำบุญทำทานจะได้ประโยชน์มากกว่าไม่มีโทษเอาเงินไปใช้ตามตามตามความอยากเหมือนไปซื้อยาเสพติดนะเอาเงินมาทำบุญนี่เหมือนมาซื้ออาหารให้แก่จิตใจ น, นี่ต้อง เรียนแค่นี้ก็พอพอรู้แล้วว่าทำไมเราต้องทำทานก็เพื่อว่าจะได้หยุดการซื้อยาเสพติดเพราะถ้าเราทำตามความอยากมันจะติดเหมือนยาเสพติดพอเที่ยวแล้วมันก็อยากจะเที่ยวอยู่เรื่อยๆพอไม่มีเงินเที่ยวมันก็จะเดือดร้อนและอาจจะไปทำให้ไปทำบาปได้เพื่อที่จะหาเงินมาเที่ยวต่อแต่ถ้าเราไม่ใช้เงินตามความอยากโอกาสที่เราจะไปทาบาปนี้มันน้อยมาก เพราะว่าเราไม่มีความอยากเราอยู่เฉยๆได้ไม่เดือดร้อนเราทำบุญเรามีความสุขมีความอิ่มใจมีความสบายใจมีความเมตตามันจะทำให้เราไม่ทำบาปอันนี้ก็เรียนเป็นแค่เฉพาะวิชาที่เราต้องปฏิบัติก็พอส่วนวิชาเอื่นนี้ไม่จําเป็นจะต้องไปเรียนปัญญาระดับไตรลักษณ์อริยศาสตร์สี่อะไรนั้นยังไม่ต้องไปเรียนนะถ้าอยู่ขั้นฐาน ทำทานให้มันถูกต้องก่อนเนะสมัยนี้ทำทานก็ผิดกันทำทานเพื่อหวังล่ำหวังรวยกันใส่บาตรตอนเช้าตอนบ่ายขอให้ถูกหวยอนนี่ก็ไม่ใช่เป็นวิธีทำทานของพระพุทธเจ้าทำทานเพื่อกำจัดความอยากนี่ทำทานเพื่อเสริมความอยากอยากล่ำอยากรวยก็เลยใส่บาตรวันวันหวยออกนี่คนใส่บาตรเยอะกว่าปกติ <laughs> รู้เลยสังเกตดูเนะ ให้ es, ทำไมวันนี้คนใส่บาทเยอะกันอ๋ออันนี้หวยออกเนี่ยมั้นังเนี่ยพวกนี้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปริยัติเนี่ยออทําตามความอยากอืรานั้นคืออาจจะรู้อาจจะได้ยินว่าทําบุญทําทานแล้วจะร่ํารวยแต่เขาไม่รู้ว่ามันต้องรอชาติหน้าเหมือนปลูกข้าววันนี้มันไม่ออกดอกออกผลวันนี้มันต้องรออีกสามเดือนใช่ไหมปลูกข้าว อันนี้ก็เหมือนกันทำบุญทำทานวันนี้มันไม่รวยวันนี้หรอกมันต้องรอยปีหน้าชาติหน้านูา่นถ้ากลับมาเกิดใหม่ข้าวหน้าจะรวยกว่าเก่าอันนี้อันนี้เราเชื่อเราเพราะมีตัวอย่างพระเวชสันดรนี่เห็นท่านทำบุญตอนที่ท่านทำบุญท่านยากจนจะตายไปเป็นพระเวชสันดรแต่พอตายไปท่านก็ไปอยู่บนสวรรค์พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะอยู่อย่างร่ารวย แต่ไม่ใช่รวยวันนี้ใส่บาทตอนเช้าแล้วตอนบ่ายก็ถูกหวยรางวันที่หนึ่งนี่เป็นไปไม่ได้นอกจากมันคลุกแล้วมันมันเป็นจังหวะของมันที่จะถูกอันนี้ก็เป็นีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่ใช่เรื่องของบุญของทานนะอันนี้ถ้าไม่ศึกษาก็จะหลงงมงายกับการทำบุญแบบนี้เพอวันไหนไม่หวยออกก็ไม่ทำเลยรอวันหวยออกก็ทำเอย ทำบุญทำทานนี้ทำเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาที่จะเอาเงินทองไปซื้อของที่ไปทำในสิ่งที่เป็นเเป็นภัยต่อจิตใจเป็นเหมือนยาเสพติดทำอะไรได้วยความอยากไม่ว่าจะอยากซื้อข้าวซื้อของฟุ่มเฟืออยากจะไปเที่ยวอยากจะไปเล่นอยากจะอะไรต่างๆอันนี้อยากไปทำมันนะมันเป็นยาเสพติดทำแล้วไม่อิ่มไม่พอสุกเดียวเดียวสุกแบบยาเสพติดแล้วก็หิวโหยแบบยาเสพติด เอาไปซื้ออาหารดีวกว่าทําบุญนี่เป็นเหมือนซื้ออาหารทําแล้วอิ่มใจสุขใจจะไม่หิวไม่โหดอันนี้คือปริยัตให้รู้เฉพาะอะวิชาที่เราต้องเอามาใช้ก็พอไอเรื่องที่เราไม่ต้องรู้ไม่ต้องไปรู้เจ็ดภีพีเรายังไม่รู้เลยเจ็ดคัมภีร์มีอะไรบ้างเนไม่รู้จะไปรู้มันทําไมอภิท ong อภิธรรมก็ไม่ได้เรียน มันจําเป็นจะต้องเรียน่ะของพวกนี้เรียนอภิธรรมแต่ทําบุญไม่เป็นไม่ยอมทําบุญกันคิดว่าตนเองถึงบรรลุธรรมขั้นสูงแล้วไม่ต้องทําบุญ ก, ก็เลยโกกิเลสตัวตนิมันหลอกเข้าใจหมอ่าอ่าต่อไปค่จะจากผู้รับฟังบนเขานะคะเวลาเดินจงกรมภาวนาพุโทโธเอาคําภาวนาพุโทโธไปจับอยู่ที่เท้า แบบนี้จะเป็นบาปไหมเจ้าคะเนี่ยไม่ได้เรียนมันก็เนี่ยมันจะเป็นบาปอะไรพุทโธมันก็เป็นคําพูดเท่านั้นเองมันเป็นอุบายที่เราเอามาใช้ในการหยุดความคิดปรุงแต่งจะไปไว้ที่ไหนก็ได้เอาไว้ที่ลมหายใจเข้าออกก็ได้ไว้ที่เท้าก็ได้ไว้ที่งานที่เรากำลังทำอยู่ก็ได้กำลังกินข้าวก็พุทโธได้กาลังเกิดอาหารก็พุทโธได้เพราะพุทโธมีไว้หยุดความคิดปรุงแต่งมันไม่บาปหรอก เวลาถ่ายอยู่ในห้องส้วมก็พูดโทได้ถ้าถ่ายไปแล้วคิดปวดหัวทำให้ฟุ้งซ่านก็พูดโทดีกว่าเข้าใจไม่ไ ม, ไม่บาปเพียงแต่อย่าออกเสียงเท่านั้นมันในสายตาคนอื่นเขาจะหาว่าขาดความเคารพแต่ถ้าภายในใจไม่มีใครรู้นี่ไม่เป็นปัญหาเลยค่ะคำถามจากทางบ้านจากเฟ e บุ๊กคุณทรษชา กรรบนมัส ก, การค่ะหนูขอถามว่ากรรมที่พ่อแม่ได้ทำสามารถตกไปถึงลูกหลานได้หรือเปล่าคะไม่เรากรรมใครกรรมมันเรามีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือเชื่อจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น เราอาจจะได้รับผลกระทบของกรรมของพ่อแม่ได้อยู่ ng, um, เช่นกับพ่อแม่ไปติดคุกติดตารางไม่มีใครเลี้ยงเราเราก็ลำบากได้ทางร่างกายอนนี้แต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของการส่งส่งกรรมของพ่อแม่มาให้เรารับด้วยเราไม่ได้ไปติดคุกกับพ่อแม่พ่อแม่เขาเป็นคนทาผิดกฎหมายเขาไปติดคุกแต่เราไม่ได้ทาเขาไม่จับเราไปติดคุกด้วยพ่อแม่ไปอบายเราก็ไม่ได้ไปกับพ่อแม่ ถ้าเราไม่ได้ทำบาปตามพ่อแม่แต่เราอาจจะได้รับผลกระทบทางร่างกายถ้าเราอยู่ร่วมกันถ้าเขาเลี้ยงดูเราแล้วเขาไม่สามารถเลี้ยงดูเราได้เราก็เราก็ต้องเดือดร้อนไม่ต้องพึ่งตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นมาเลี้ยงดูเราใหม่อันนี้มีผลกระทบทางด้านนี้แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องผลข้างเคียงผลพลอยได้ถ้าเกิดพ่อแม่รวยขึ้นมาเราก็ เราก็ได้รับผลกระทบจากความน่น่วยของพ่อแม่คำถามจากคุณพิมพ์ชนกถ้าขายกาแฟบาปไหมคะเพราะเป็นกิเลสล้วนๆแถมใส่ไข่มุกอีกรู้ว่าลูกค้ากินก็เสียสุขภาพทั้งนมน้ำตาลครีมเทียมถ้าไม่อร่อยท่านก็ไม่ซื้อทานกันโอ้ถ้ า, างั้นก็อยากขายอะไเลยเพรของทุก อ, อย่างมาขายให้กิเลสทั้งนั้นเนอืย <laughs> ขายได้ถ้ามันไม่ทำให้มึนเมาทาให้เสียสติขายได้แต่ของที่มึนเมาเสียสติเนี่ยไม่ควรจะขายหรือของที่ขายแล้วทำให้คนอื่นเสียหายเดือดร้อนขายมีขายปืนแล้วก็ไปยิงไปฆ่ากันอย่างี้ก็อย่าขายอาวุธอย่าค้าอาวุธอย่าค้าของที่ไปทำร้ายชีวิตของผู้อื่นแม่แตะกับกับดักสัตว์หรือเบ็ดอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ควรจะค้าขาย คำถามจากคุณวิชัยกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะคุณป้าท่านหนึ่งขอให้เรียนถามพระอาจารย์ว่าแก่ไปสถานที่หนึ่งสอนให้คุณป้าว่าการปฏิบัติธรรมไม่จําเป็นที่จะต้องเดินจงกรมไม่จําเป็นต้องนั่งสมาธิให้แค่นั่งเฉยๆอะไรมากระทบก็ให้เฉยๆ และให้มีการเทน้ำสาดไปข้างหน้าและพูดว่าโสคุณป้าท่านไม่เข้าใจอยากให้เรียนถามพระอาจารย์ว่าการปฏิบัติแบบนี้ผิดใช่ไหมเจ้าคะและขอคำแนะนำให้คุณป้าด้วยคะ่ะพระนัง่งนั่งเฉยๆทำใจให้สงบไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาได้ก็ไม่เสียก็ถูกแต่ถ้าให้ไปสาดน้ำนี่ไม่รู้ไปสาดทำไมถ้าเป็นสงการก็ <c oughs> ก็ทได้ แต่ไปสงถ้าไปสาดน้ำเพื่อให้ใจสงบนี่มันมันไม่ใช่แต่ถ้านั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรได้เนี่ยก็โอเคจะนั่งได้หรือเปล่ามันนั่งไม่ได้เห่นมันนั่งเพราะใจมันยังอยากจะทำนู่นทำนี่ก็เลยให้มันทำถ้ามันนั่งเฉยๆไม่ได้มันอยากจะลุกก็ให้มันเดินเดินจงกรมอย่างนี้คำถามจากคุณโชคทูน กราบนมัสการพระอาจารย์ครั บ, ำกกรราารบทำไมเมื่อเวลาเกิดทุกข์แล้วอยากจะทำสมาธิและพอทำสมาธิแล้วจิตสบายและสงบกว่าตอนที่ไม่เป็นทุกข์แล้วนั่งสมาธิครับอ้าก็เวลาทำสมาธิก็เพื่อทำให้ความทุกข์หายไปนี่สิเป็นยาดับความทุกข์อย่างหนึ่งยัญญาที่ผลิตความสุขให้แก่ใจนั่นเอง คำถามจากคุณเชียเบลกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะเราจะทำใจรับมือกับโลกธรรมแปดได้อย่างไรคะตอนนี้หนูมีฝักตอนนี้หนูมีใจฝักใฝ่กับธรรมแต่มีกลุ่มเพื่อนที่เคยตื่นที่เคยดื่มเที่ยวด้วยกันตอนนี้หนูไม่ได้ไปสุงสิงกับเขาหลีกไม่ได้ไม่ดื่มไม่เที่ยวพอไปเจออีกอ๋อก็อย่าไปเจอเขาสิ ถ้าเจอก็อย่าไปร่วมกิจกรรมกับเขาเพอเขาจะไปเสพกามล้วก็ขอกลับบ้านขอแยกตัวกลับบ้านไปไปคบกับเพื่อนที่เขาไม่เสพกามสิไปพบกับพวกที่ถือศีลแปดเนี่ยไปคบกับพวกนักบวชเนี่ยเขาก็จะไม่ชวนเราไปเสพกาม <c oughs> ไปคบกับพวกที่เส ก, กกลามพรว่าต้องชวนเราไปเสกกลามเนยใช่ไหมคำถามหมดแล้วค่ ะ, ะหมดแล้วดีเดี๋ยวนั่งรอสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวอาจะถามเลยอะมามาเอาไม้เข้ามาใกล้ๆหน่อยให้มีใครส่งไม้ให้นอนนี้ต้องเข้ามาเองไม่ดได้เลย พูดใกล้ๆหน่อยขอกลับเรียนถามค่ะว่ า, าธรรมะบทใดหรือแนวทางการปฏิบัติใดที่ทำให้คนที่มีอย่างผู้หญิงผู้ชายที่มีความรักที่จะมุ่งสู่พระนิพพานเหมือนพระนางพิมพาพระเทเจ้าคะใ น, ในหลักธรรมตรงไหนคะอาจารย์คะผู้หญิงผู้ชายก็มีกิเลสเหมือนกันธรรมะที่ต้องปฏิบัติเพื่อทาลายกิเลสก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชาย ก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันนค่ะเพืเ่อน้วยเพื่อจะได้แบบเหมือนกับพระนางพิมพ์พาพระเจ้าที่เจอกันทุกภพทุกชาติแล้วก็ปฏิภาณอย่างนี้ค่ะอ๋อก็ต้องทํางานต้องทําร่วมกันตลอดทุกอย่างเป็นเหมือนฝาแฝดเนี่ยต้องทําแบบแฝดสยามไปไหนก็ไปด้วยกันกินพร้อมกันนอนพร้อมกันเอทําบุญพร้อมกันทําบาป พ, พร้อมกันอจิตมันจะได้มีบัญชีเท่ากันบัญชีบุญบัญชีบาปมันจะได้เท่ากัน ตอนตายก็ตายพร้อมกันเวลาไปเกิดก็ไปเกิดพร้อมกันนี่มันก็มีโอกาสที่ได้เจอกัน<ช>ต้องพยายามทําอะไรให้มันพร้อมกันทุกอย่างถ้าคนนึงทําบาปคนหนึ่งทํานนทบุญเวลาตายมันเป็น ค, คนละทิศเนี่ยคนนึงไปสวรรค์เป็นคนไปอบายยคือไม่เท่ากันใช่ไหมคะศีลไม่เท่ากั น, นทํานะทบุญไม่เท่ากันแล้วอยู่ห่างกันเนี่ยสามารถ ปฏิบัติต่างคนปฏิบัติได้ไหมคะในการเพราะทุกคนไม่รู้สิว่าคนนี้เขาปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยถ้าอยู่ห่างไกลกันนอกจากต้องคอยอมีมีเฟซบุ๊กหรือมีอะไรเพจถามคอยดูอะไรอย่างงี้คุไม่ไหวนะคะไม่รู้ว่าแต่ยังก็อย่าไปกังวลเลไปเจอกันทำไมเจอกันเดี๋ยวก็ต้องแยกกันอยู่ดี เจอกันแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายจากกันค่ะแล้วจะไปนิพพานก็ไม่เจอใครแล้วค่ะไม่ต้องไปกังวลเรื่องไปเจอกันกับใครหรือไม่เจอกันไม่เจอน่ะดีกว่าเจอราเป็นอุปสรรคเดี๋ยวก็กังวลเดี๋ยวก็ห่วงกันค่ะไปคนเดียวดีกว่าทางนี้สำหรับคนโสดเท่านั้นคนไม่โสดไปไปไม่ได้ คือเหมือนกว่าเพื่อร่วมทางคนโสดเหมือนกันค่ะท่านอาจารย์ก็ต่างคนต่างไปงค่ะไม่ก็ไปพร้อมกันแต่ไปถึงก่อนถึงหลังมันก็อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่อได้ค่ะท่านอาจารย์ค่ะอย่าไปกังวลกับเรื่องของคนอื่นกังวลกับเรื่องของเราคนเดียวพอเพราะเรื่องของคนอื่นเราไปทําให้เขาไม่ได้เขามาทําให้เราไม่ได้ตัวใครตัวมัน อัตตาหิอัตนโนนาโถเหมือนว่ายน้ำเนี่ยไปคอยไป ก, ก, กังวลกับอีกคนเดี๋ยวก็จมน้ำตายด้วยกันต้องคู่อ่ะต้องรีบว่ายให้มันถึงฝั่งกันนะค่ะ <S <S <pim. S 1> คำถามจากคุณนัทวุฒิกราบเรียนพระอาจารย์ครับทำไมต้องจิตสุดท้ายความรู้สึกสุดท้ายที่จะพาเราไปภพภูมิต่างๆทั้งที่เราทำอะไรมาตั้งเยอะตลอดชีวิต ทำไมไม่เลือกเอาอันที่มากที่สุดเช่นบุญที่มากกว่าเป็นต้นครับแล้วแบบนี้คนที่ตายกระทันหันจากอุบัติเหตุเขาจะมีจิตสุดท้ายอย่างไรขอความเมตตาครับคำว่าจิตสุดท้ายก็วันที่เราปิดบัญชีกรรมนั้นเองเข้าใจไหมเพราะว่าเวลาจิตสุดท้ายเราทํากรรมใหม่ต่อไม่ได้แล้วทาบุญไม่ได้ทําบาปไม่ได้ยั้นผู้ที่จะเอาจิตเราไปนี่ก็อยู่ที่เวลาที่เรา มาคิดบัญชีตอนจิตสุดท้ายนี่เหมือนตอนที่เราปิดกิจกรรมบริษัทนี่เราก็ต้องมาทําบัญชีเดี๋ว่าบริษัทเรากําไรหรือขาดทุนอันนั้นก็เป็นการทําบัญชีถ้ากําไรเราก็จะได้แบ่งเงินกันคนที่เป็นมีหุ้นส่วนเขาก็จะได้แบ่งแบ่งเงินแบ่งกําไรกันถ้าขาดทุนก็ต้องมาช่วยกยั น, กนกจ่ายนี่กันแบ่งกันจ่ายนี่ อันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราตายนี่มันก็เป็นเวลาที่เราปิดบัญชีบุญปิดบัญชีบาปเราต้องมาคิดบัญชีดูว่าทําตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้บุญเรามีเท่าไหร่บาปเรามีเท่าไหร่แล้วบุญกับบาปนี้ก็ถ้าอันไหนมากกว่ากันก็จะเป็นตัวดึงจิตไปถ้าบุญมีมากกว่าบาปก็บุญก็ดึงไปสวรรค์ดึงไปสุขคติ ถ้าบาปมีมากกว่าบุญบุญก็ดึงไปทุกขติมันไม่ได้มาคิดบัญชีจิตสุดท้ายก็จะมันเป็นมันเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องของการสิ้นสุดลงของชีวิตเมื่อชีวิตสิ้นสุดลงจิตก็จะถูกบุญกับบาปที่ได้ทำไว้นี้ดึงไปจะมาเลือกเอาบุญชนิดนั้นบาปชนิดนี้ไม่ได้เพราะว่ามันมันมีกำลังของแต่ละตัวของมั น, มน บางคนทำบุญมาเยอะแต่มาทำบาป ช, ช่วงบ้านปลายชีวิตแต่ทำบาปหนักก็บาปหนักมีกำลังมากกว่าก็ดึงไปอาบายได้อย่างเทวทัตเนี่บวชมาเป็นพระเทวทัตเนี่บวชมาเป็นสิบสิบปีแต่มาทำบาปในช่วงบ้านปลายของชีวิตพยายามฆ่าพระเจ้าถึงสามครั้งอันนี้บาปมันหนักกว่าบุญที่ได้ทำไว้ตลอดยี่สิบปีที่ผ่านมาก็เลยต้องไปอบาย นั้นมันไม่ได้คําว่าจิตสุดท้ายไม่ได้หมายความว่าเป็นเป็นเป็นจิตที่ที่มันจะ เ, เราเลือกได้ว่าให้มันเป็นบุญหรือเป็นบาปมันเลือกไม่ได้จิตสุดท้ายแปลว่าการสรุปของบุญและบาปที่เรามีอยู่ในใจของเราว่าอันไหนมันมากกว่ากันถ้าบาปไม่มากกว่าตอนจิตสุดท้ายบาปมันก็จะดึงจิตไปอภัย ถ้าบุญมันมีมากกว่าบาปมันก็จะดึงไปสวรรค์ดึงไปสุขติเท่นั้นเองเขาว่าจิตสุดท้ายจุดสุดท้ายนี้มันจะเกิดได้เวลาทุกเวลาวันนี้ก็เกิดได้พอตายปุ๊บมันก็เป็นจิตสุดท้ายพอพอจิตสุดท้ายปั๊บเขาก็มาคิดบัญชีทันทีมาคิดบัญชีว่าบวกลบเท่าไหร่แล้วผู้ที่คิดบัญชีก็คือกฎแห่งกรรมก็จะเป็นผู้ที่จะจัดการกับจิตดวงนั้นทันทีถ้าจิตดวงนั้นบวก ทางบุญก็ไปทางสวรรค์ถ้าบวกทางบาปก็ไปทางอบายอันนี้เราไปเลือกไม่ได้ไปสั่งไม่ได้ว่าตอนนี้จิตสุดท้ายฉันจะคิดแต่เรื่องดีๆแล้วจะทำให้ไปดีมันมันคิดเฉยๆมันไม่มีกำลังได้อย่างเวลาตายบางทีมไม่มีเวลาจะคิดเนี่ยมันตื่นเต้นตกใจจนกรทั่งไม่มีสติก็มียังไงจะนั่งคิดดีๆได้ไง ฉนั้นไม่ต้องไปกังวลต้องจิตสุดท้ายมันเป็นอัตโนมัติเราไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันดีหรือชั่วไม่ได้มันเป็นผลของบุญและบาปที่เราทํามาตั้งแต่เกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเราคําถามจากคุณเคสการพลัดพรากจากสิ่งที่รักทําใจยากเหลือเกินค่ะถ้าเรายังเสียใจที่เขาตายจากเราไปแสดงว่าเรายังปล่อยวางร่างกายไม่ได้ใช่ไหมคะ ตอนนี้พยายามภาวนาพุโทโธและดึงสติไว้กับปัจจุบันไม่คิดถึงอดีตก็จะหายเศร้าได้พักหนึ่งแต่พอเผลอคิดทีไรก็จะถูกความเศร้าแทรกเข้ามาอีกค่ะก็หยุดคิดมันสิพยายามหยุดมันบ่อยๆต่อไปมันก็ไม่คิดเองให้มันสงบบ่อยๆมากๆหยุดคิดบ่อยๆมากๆต่อไปเวลาอยู่คนเดียวมันก็ไม่เศร้าที่มันเศร้าเพราะมันคิดคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้แล้วก็อยากให้เขา อยู่ใกล้เราพอเขาไม่อยู่กับเราแ ล, แล้วเราก็เลยเศร้าขึ้นมาฮะ น, น, นี่หมนแล้วเลยมีอีกสองคำถาม<า>ค่ะจากคุณมิกกี้กราบนรรมส ก, การพระอาจารย์ถ้าที่บ้านต้องการต้องการปลวกโดยฉีดดักไว้ก่อนแล้วปลวกเกิดมาโดนยาตายเราจะบาปหรือไม่ครับไม่บาปแร้วถ้ามันเจอยาไม่ตายแล้วพอมันจะได้กิน่นพอมันได้กิน่นมันก็ถอย เหมือนเราเดินไปไหนพอเจอกลิ่นนี้ไม่ดีหน่อยเราก็ถอยละเราไม่บ้าไปสู่ต่อพอรู้ว่ากลิ่นนี้ทาแม่งทาแ่งถอยดีกว่าสัตว์มันก็เหมือนเรามันมีมันมีการมฉันท้าเหมือนเรามันจะชอบกลิ่นหอมๆกลิ่นอร่อยพอมันจะจะกลิ่นที่เป็นพิษเป็นภัยมันก็ไม่เอาละมันมันมันไม่ตายเพราะกลิ่นหรอกค่ะ คำถามจากคุณทางกรามนรมัสการค่ะการจะปฏิบัตินั่งสมาธิกรรมฐานเราต้องมีครูบาอาจารย์หรือว่าเราทำเองที่บ้านได้ไหมคะตามที่ครูบาอาจารย์ใน YouTube ค่ะคือต้องมีคนสอนแต่เวลาปฏิบัติปฏิบัติที่ไหนก็ได้คนเดียวถ้าปฏิบัติไม่ได้ผลก็ต้องสอบถามอาจารย์เนือไปศึกษาดูรายละเอียดใหม่ว่าเราทาตามที่ท่านสอนหรือเปล่า ต้องมีคนสอนแต่เวลาปฏิบัติไม่ต้องอยู่ไม่ต้องมีคนสอนมานั่งปฏิบัติด้วยนะค่ะคำถามจากครูไพบุ์<ม>ชอบตื่นนอนตอนตีสามตีสี่แล้วจิตไม่หลับอีกเลยจนถึงเช้าจะแก้อย่างไรครับก็นั่งสมาธิเลยสิคนก็อยากไม่หลับมีเยอะแยะไปแต่เราโชคดีนอนไม่หลับตื่นแต่เช้าตื่นมาก็นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมไปไหว้พระสวดมนต์ไปเดี๋ยวก็ถึงเวลาสว่างเอง เดี๋ยวเดี๋ยวก็ง่วงเดี๋ยวสวดไปสักพักนนั่งสมาธิสักพักเดี๋ยวก็ง่วงขึ้นมา <c oughs> <c oughs> มาหลับต่อ <c oughs> หมดแล้วเหรอหมดแล้วก็มีใครอยากจะถามยังไหม <c oughs> เขายกมือเขาจะกลับไม่ใช่เขาจะวนจะถามถ้าไม่มีก็จะปิดประชุมนะแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา